จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบุตรสอุบาสก อ, อุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่21เมษายนพุทธศักราช2553เป็นวันพระเป็นวันธรรมวัวนาเป็นวันฟังธรรม ซึ่งเป็นวันมงคลอย่างยิ่งของชาวพุทธเราเพราะการได้ยินได้ฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งดังในพระบาลีที่ได้ทรงตัดไว้ว่ากาเลนะธรรมัรสวานังเอตัมมังกลโมตตมันการได้ยินได้ฟังทำรรตามการตามเวลา เป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลเพราะอะไรเพราะว่ามีอริสอง์อยู่5ประการด้วยกันข้อที่หนึ่งคือจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. ส, สิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อได้ฟังอีกก็จะเกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้นไป3 จะขจัดความสงสัยได้ 4. จะทำให้จิตใจผ่องใสมีความสงบห้าจะทำให้เกิดมีความเห็นที่ถูกต้องนี่คืออริสงที่เกิดจากการฟังธรรมห้าประการที่เป็นมงคลอย่างยิ่งสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังนั้นคืออะไร ก็คือเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือเรื่องที่เราปกติจะไม่ได้ยินได้ฟังกันในชีวิตประจาวันถ้าเราเปิด โทรทัศน์ดูโปรดวิทยุฟังเรามักจะได้ยินแต่เรื่องผิดศีลผิดธรรมเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเรื่องประพฤติผิดโรเรณีรักทรัพย์โกหกหลอกลวงเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนซึ่งเป็นเรื่องที่มีแต่จะนำไปสู่ความเสือ่อมความทุกข์ เมื่อเราได้ฟังอะไรมากๆมันก็จะซึมซาบเข้าไปในใจเราแ ล, แล้วจะมีอิทธิพลต่อความคิดของเราต่อการพูดต่อการกระทำของเราถ้าเราได้สิ่งที่ดีซึมซาบเข้าไปในใจเราก็จะคิดดีพูดดีทำดีถ้าเราได้สิ่งที่ไม่ดีซึมซาบเข้าไปในใจเราก็จะพูดคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดี ดังนั้นเวลาเราฟังเทศฟังธรรมนี้เราจะได้ยินแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์สิ่งที่จะเป็นมงคลแก่ชีวิตของเรานั่นเองเช่นเราได้ยินได้ฟังพระพุทธเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะไม่มีอะไรที่จะเป็นมงคลยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าพระธรรมยิ่งกว่าพระสงฆ์พระพะ พุทธธรรมพระสงฆ์ีเป็นสารณะที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราที่พึ่งอย่างอืงอ่นนี้ไม่ถือว่าเป็นที่พึ่งที่แท้จริงต่อให้มีเงินทองกองเท่าภูเขามีบ้านหลังละร้อยล้านพันล้านมีอาหารราคาแพงแพงมีเครื่องดื่มราคาแพงแพงไว้ดื่มไว้รับประทานก็ยังไม่ได้เป็นที่พึ่งทางใจได้ ยังไม่สามารถปกป้องใจไม่ให้เกิดความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจความหวาดกลัวความวุ่นวายใจได้มีถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจเลยนี่คือความยิ่งใหญ่ความประเสริฐของพระพุทธของพระธรรมของพระสงฆ์ เมื่อเราได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วเราก็จะได้รู้จากวิธีที่จะดำเนินชีวิตของเราให้เป็นไปในทางที่จะนำให้เราสู่ความสุขความเจริญซึ่งเป็นความเป็นสิริมงคลนี้เองความสุขความเจริญนี้เป็นมงคลส่วนความทุกข์ความเสื่อม น, นี้ เป็นอัปมงคลความสุขความเจริญเกิดจากการประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความเสือ่อมความทุกข์ความอัปมงคลเกิดจากการปฏิบัติตามกิเลสตัณหาดังนั้นเราจึงต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเรื่องที่ดีต่างๆเพื่อที่จะได้ นำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีที่งามต่อไปดังนั้นเราจึงควรจะฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อเราจะได้รู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงผลของบุญคือสวรรค์ก็มีจริงผลของบาป ค, คือนอรกก็มีจริงตายแล้วไม่สูญตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ตามอำนาจของบุญของบาป ที่ได้ทำเอาไว้ถ้าเป็นอำนาจของบุญพาไปก็จะไปสู่สุกติไปสู่ภพของเทวดาของพรหมของพระอริยเจ้าของมนุษย์ถ้าบาป พ, พาไปก็จะไปเกิดในอบายไปเกิดในภพของเดรัจฉานของเปรตของผีของนรก โรกและสวรรค์นี้ไม่ได้มีใครเป็นผู้สร้างไม่มีพระเจ้าเป็นผู้สร้างแต่มีกรรมเป็นผู้สร้างและกรรมนี้ก็ไม่ใช่ใครเป็นที่เป็นคนทาก็พวกเรานี่แหละจิตของพวกเราแต่ละดวงนี้เป็นผู้ทากรรมคาว่ากรรมนี้แปลว่าการกระทําการกระทําก็คือความคิดของเราเมื่อเราคิดแล้วเราก็พูด แล้วก็เราก็ทำคิดมาวัดเราก็ชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องชวนญาติสนิทมามาวัดแล้วเราก็ซื้อข้าวซื้อของเตรียมตัวอาบน้าอาบท่าแล้วก็มาวัดนี่คือการกระทำที่เกิดจากความคิดความคิดที่ดีความคิดที่ดีดดก็เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมอยู่อย่างต่อเ น, นื่อง เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจะได้รู้ว่าการกระทำอย่างไรเป็นการกระทาที่เป็นมงคลการกระทำอย่างไรที่เป็นอัปมงคลเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตามได้เรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์นี้อย่างที่ได้พูดไว้ว่าเป็นการเป็นผลที่เกิดจากการกระทาของจิตของ ของใจของพวกเราเราทำอะไรไว้แล้วเราต้องรับผลของบุญของกรรมนั้นไม่มีใครที่จะมายับยั้งได้แม้แต่พระพุทธเจ้าพระอรหันตาสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันถ้าได้ทำบาปทำกรรมมาแล้วก็ไม่สามารถยับยั้งบาปกรรมได้ท่านจึงสอนให้เราทำแต่บุญ อย่าไปทำบาปพยายามทำบุญให้มากและพยายามละบาปให้มากเพื่อผลที่ดีที่เราต้องการกันก็คือความสุขความเจริญการเวียนว่ายตายเกิดในสุคติในภพของเทพของพรหมของพระอริยเจ้าของมนุษย์ทั้งหลายถ้าเราไม่สามารถละเว้นจากการทำบาปได้ เราก็ต้องไปเวียนวาหาตายเกิดในภพของเดรัจฉานของเปรตของนรกเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมายับยั้งได้เพราะเราเป็นผู้สร้างมันเองและเราก็ต้องเป็นผู้รับผลนรกแนละสวรรค์นี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราใจของเรานี่แหละเป็นนรกและเป็นสวรรค์ เวลาที่เรามีความทุกข์มากๆเรียกว่าใจของเราเป็นนรกเวลาที่เรามีความสุขเรียกว่าใจของเราเป็นสวรรค์นรกและสวรรค์ไม่ใช่สถานที่เหมือนกรุงเทพหรือพัทยาแต่เป็นสภาพจิตใจของพวกเราที่เกิดจากการกระทําคือความคิดการพูดและการกระทาทางกายของเรา วันนี้เรามาสร้างสวรรค์กันเพราะเราคิดดีพูดดีทำดีคำว่าคิดดีพูดดีทำดีหมายความว่าอย่างไรคือการคิดการพูดการกระทำที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้อื่นก็ดีกับตัวเราก็ดีหรือทั้งกับผู้อื่นและกับตัวเราก็ดีเรียกว่าเป็นความคิดที่ดีเป็นความดี เป็นบุญเป็นกุศลอย่างวันนี้ญาติโยมมาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นคือนำกับข้าวกับปลาอาหารข้าวหวานต่างๆมาถวายพระนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้อื่นประโยชน์สำหรับเราก็คือเราได้รับบุญได้รับกุศลคือได้ความสุขใจได้ความอิ่มเอิบใจได้อาหารของใจ แล้วนอกจากนั้นเรายังได้มาสมาทานศีลมาละเว้นจากาการกระทำบาปเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิเพื่อขจัดความสงสัยในเรื่องต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรง ส, สั่งสอนเหล่านี้เรียกว่าเป็นบุญเป็นคุสมเป็นประโยชน์เป็นความดี ดัางนั้นการคิดที่จะมาวัดเพื่อมาทำบุญมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะนำไปสู่การพูดที่ดีและการกระทำที่ดีที่จะนำมาซึ่งผลคือความสุขและความเจริญนี่คือเรื่องของ ของพระพุทธศาสนาเรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้ประเสริฐท่านเหล่านี้ท่านประเสริฐด้วยการคิดดีพูดดีทำดีจนทําให้ใจของท่านหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เพราะใจของท่านคิดดีท่านกลัวบาปท่านรักบุญท่านกลัวการเวียนว่ายตายเกิด ท่านจึงตัดเชื้อของภพขผมชาติของการเวียนว่ายตายเกิดในจิตในใจของพวกเราทุกคนนี้มีเชือ้อหรือมีเมล็ดของภพชาติอยู่ถ้าเรามีเมล็ดอยู่ของภพชาติอยู่ภพชาติก็ยังต้องเจริญเติบโตตามมาเหมือนกับในดินถ้ามีเมล็ดของพืชอยู่ก็จะมีพืชงอกขึ้นมา ต้นไม้ต่างๆเหล่า น, นี้มีเมล็ดเป็นต้นเหตุทําให้เขางอกขึ้นมาจากดินแล้วก็จะเริญเติบโตในใจของพวกเราก็มีเมล็ดของภพของชาติที่ทําให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดเมล็ดในใจของเราที่เป็นเป็นพันุ์หรือเป็นเมล็ดของภพชาตินี้คืออะไร ก็คือกิเลสตัณหานี่เองคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเช่นความอยากในการอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นดูหนังฟังเพลงรับประทานสิ่งต่างๆอาหาชนิดต่างๆขนมชนิดต่างๆหรือเครื่องดื่มชนิดต่างๆรูสัมผัสกับร่างกายของผู้อื่น ได้ได้มีได้กอดได้นอนกับคนที่เรารักคนที่เราชอบอย่างนี้เรียกว่าเป็นกามะดาหาเวลาใดที่ไม่ได้เสษได้สัมผัสรูรปเสียงกลิน่นรสเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาคือเกิดความเศร้าซ้อยหงอยเหงาเกิดความว้าเหวทำให้คนที่มีกามะดาหานี้ ไม่สามารถอยู่ตามลาพังได้ต้องหาคู่ครองต้องหารูปเสียงกลิ่นนสดชนิดต่างๆมาคอยบำรุบาเลอเลยกลายเป็นภาระขึ้นมาภาระที่จะต้องหารูปเสียงกลิ่นนสดชนิดต่างๆมาบำรุบำเลอกามตัญหาชีวิตของพวกเราทุกวันนี้ที่เราอยู่กันนี้ที่เราดิ้นนนกันนี้ก็ไม่ได้เพื่ออะไร ก็เพื่อกามาตัณหาตัวนี้นั่นเองทุกวันนี้เราออกไปทำมาหาเงินหาเงินมาแทบเป็นแทบตายเพื่ออะไร mm hmm. ก็เพื่อจะมาหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี้เท่านั้นเองและถ้าเวลาใดที่เราไม่สามารถหาเงินหาทองมาได้เราก็เดือดร้อนกันเราก็วุ่นวายกันเราก็มีความทุกมกัน เพราะอำนาจของกามาตัาหานี้เองเพราะเราไม่สามารถอยู่เฉยๆได้ไม่สามารถอยู่ตามลำพังได้ใจของเรามีความหิวมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาแต่ใจของคนที่ไม่มีกามาตันานานี้เขาจะไม่เดือดร้อนถ้าเขาไม่มีคู่ครองถ้าเขาไม่มีรูปเสียงกิจโ้นพธะ ไว้บำรุงบำรรอไว้เศกเพราะใจเขาไม่หิวนั่นเองเหมือนคนที่ไม่หิวข้าก็ไม่จำเป็นจะต้องกินข้าวกินไม่ลงเพราะไม่หิวข้าวไม่เดือดร้อนมีข้าวหรือไม่มีข้าวก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่หิวนั่นเองขวใจของคนเราถ้าไม่มีการมาตัญหาก็จะไม่มีความทุกข์ กับเรื่องรูปเสียงกลดภภิ่นรสปวดทพะไม่มีความทุกข์กับคนนั้นกับคนนี้พวกเราทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันนี้ก็ทุกข์เพราะอำนาจของการมากปัญหานี่เองเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราก็ต้องมีสามีมีภรรยามีแฟนมีคู่ครองพอเรามีแฟนเรามีคู่ครองเราก็มีปัญหากับแฟนกับคู่ครองของเรา เพราะเรามักจะไม่มีความเห็นที่ตรงกันเสนอไปวันไหนที่มีความเห็นตรงกันก็วันนั้นก็ปลอดภัยไม่ต้องทะเลาะกันพอวันไหนมีความเห็นไม่ตรงกันก็จะทะเลาะกันทะเลาะวิวาสกันทุบตีกันโกรธกันเกลียดกันถ้าไม่ระมัดระวังก็ถึงกับฆ่ากันได้เพราะ มีความคิดเห็นไม่ตรงกันนี่คือความทุกข์ที่จะตามมาหรือถ้ามีความเห็นตรงกันก็จะมีความรับความโหยหวนไม่อยากจะให้เขาจากเราไปถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาตายจากเราไปเราก็ต้องร้องโหมร้องไห้เศร้าสศงเสียใจหรือถ้าเราทะเลาะกันแล้วเขาทิ้งเราไปเราก็เสียใจ นี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการมีคู่ครองความทุกข์ที่เกิดจากการมาตัญหาความอยากในการถ้าไม่มีการมาตัญหาแล้วก็อยู่คนเดียวอย่างสบายไม่ต้องมาทุบ ก, กับคู่ครองไม่ต้องมาร้องหอบร้องอ้าไม่ต้องมาทะเลาะวิวาทกันนี่คือเรื่องของของเมล็ด ที่จะทาเราไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดเพราะหลังจากที่เราตายไปแล้วถ้าเรายังมีกามาตังหาอยู่เราก็ยังจะกะอยากจะกลับมาเกิดใหม่อยากจะมาเสพกามใหม่อยากจะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายเพื่อที่จะได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะชนิดต่างๆเราก็เลยต้องไปหาร่างกาย ทีนี้เราจะได้ร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของเดรัจฉานก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เราทำกันถ้าเรารักษาศินห้าได้เราก็จะได้ร่างกายของมนุษย์แต่ถ้าเรารักษาศินห้าไม่ได้เราก็จะต้องได้ร่างกายของเดรัจฉานได้ร่างกายของแมวของสุนัขของช้างของมา้าของวัว ของสัตว์ต่างๆเพราะนี่คือกฎแห่งกรรมเป็นอย่างนี้กฎแห่งกรรมกรรมนี้จะทำให้เราได้ร่างกายชนิดต่างๆแต่การมมากตันหาคือตันหานี้เป็นตัวที่จะผลักให้เราไปเกิดถ้าเราไม่มีตันหาเราก็จะไม่ไปเกิดถึงแม้เราจะเคยทำบุญทำบาปวานมากน้อยเพียงไร บุญกับบาปไม่มีช่องทางที่จะไปแสดงผลได้เพราะไม่มีตัณหาตัวความอยากพาให้ไปเกิดนั่นเองถ้ามีตัณหาแล้วก็บุญกับบาปก็จะมีทางไปอย่างใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนี้ท่านไม่มีความอยากอยู่แล้วท่านกําจัดมเมล็ดพืชของ พบชาติคือการไปเกิดใหม่ได้แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นบุญหรือบาปก็ไม่สามารถที่จะต่างไปส่งผลได้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้พอไม่เกิดแล้วบุญต่างๆที่ได้เคยทำเอาไว้หรือบาปต่างๆที่เคยทำเอาไว้ก็หมดสิทธิ์ที่จะไปแสดงผลให้แก่ใจของท่านได้ แต่ถ้าใจของท่านยังมีตัณหาอยู่มีกามะตัณหาอยู่ก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่มาเกิดเป็นเดราาัจฉานหรือเกิดเป็นมนุษย์ก็ขึ้นอยู่อํานาจของบุญของบาป ท, ที่ได้เคยทำเอาไว้นี่คือเรื่องที่ไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงได้ถ้ายังมีตัณหาความอยาก แลนะยังเคยทำบุญทำกรรมมาก็จะต้องรับใช้บุญใช้บาด้วยการเกิดในภพต่างๆนั่นเองดังนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะต้องไปใช้เวงใช้กรรมต่อไปเราก็ต้องมากำจัดความอยากให้ได้ความอยากนี้เป็นสิ่งที่กำจัดได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัย ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีพระอรหันต์ตัศวรเพราะท่านเหล่านี้ท่านกําจัดความอยากต่างๆได้หมดสิ้นไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจเลยและเครื่องมือที่จะช่วยกําจัดความอยากต่างๆก็คือทานสิงภาวนานี้ทานนี้ก็จะช่วยกําจัดความอยากได้ในระดับหนึ่ง ศีลก็จะช่วยได้อีกระดับหนึ่งแต่ภาวนานี้จะเป็นผู้ตัวที่กําจัดได้อย่างถาวรทานละศีล น, นี้เป็นเหมือนกับการตัดกิ่งก้านของต้นไม้ส่วนการภาวนานี้เป็นการโค่นต้นไม้และการขุดรากถอนโคนของต้นไม้ให้ขึ้นออกมาจากดินต้องทําด้วยภาวนาแต่ก่อนที่จะตัด ต้นได้ตัดตก่อนที่จะถอนรากถอนโคนได้ก็ต้องตัดกิ่งตัดก้านซะก่อนเพราะบางครั้งบางคราวกิ่งก้านต่างๆมันจะเป็นอุปสรรคไม่สามารถทำให้ล้มต้นไม้ลงมาได้ต้องตัดกิ่งก้านทิ้งไปก่อนแล้วค่อยไปตัดที่โคนพอตัดโคนแล้วก็ค่อยขุดรากถอนโคนขึ้นมาเช่นเดียวกับการถอน ภพชาติก็เป็นอย่างนั้นด้วยการกําจัดความอยากทานเราก็สามารถกําจัดความอยากได้ศีลเราก็สามารถกําจัดความอยากได้แต่ไม่มากเท่ากับการภาวนาการกําจัดความอยากทางกายนี้ทําอย่างไรเช่น ว, วันนี้เราอยากจะไปกินเหล้าเมายาไปดูหนังฟังเพลง เราก็เอาเงินที่จะไปดูหนังฟังเพลงกินเหล้าเมายานี้มาทําบุญที่วัดอย่างนี้เราก็จะตัดความอยากกินเหล้าความอยากเที่ยวอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ด้วยการมาวัดเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้มาทําบุญมาซื้อข้าวซื้อของซื้อกับข้าวกับปลาอาหารขาวหวานมาถวายพระพอเราได้ทําบุญแล้ว แทนที่ใจของเราอยากจะไปเที่ยวกับไม่อยากไปเพราะใจได้อาหารคือการให้ทานนี้เป็นอาหารของใจทำให้เกิดความรู้สึกอิ่มเอิบใจเกิดความสุขใจขึ้นมาทำให้ไม่ต้องคิดอยากจะไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่ได้ในระดับหนึ่งนี่ก็คือการกำจัดตัณหาด้วยการทําทาน ทุกครั้งอยากจะมีอะไรอยากจะได้อะไรเช่นอยากจะได้เสื้อชุดใหม่เสื้อผ้าชุดใหม่รองเท้าชุดใหม่ทั้งๆที่มีเสื้อผ้าอยู่เต็มตู้มีรองเท้าอยู่เต็มตู้ <S 2> <S 2> ก็เอาเงินที่อยากจะซื้อเสื้อผ้านี้มาทำบุญทุกครั้งที่อยากจะไปเที่ยวก็เอาเงินนมาทาบุญทุกครั้งที่อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จาเป็นต่างๆ ก็เอาเงินนั้นมาทําบุญแล้วรับรองได้ว่าความอยากที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยอยากจะเที่ยวอยากจะดื่มอยากจะรับประทานสิ่งที่ไม่จําเป็นก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลําดับนี่คือการกาจัดตัณหาในระดับหนึ่งส่วนศีลนี่ก็จะช่วยกําจัดได้เช่นถ้าเราสมาทานศีลห้า เราก็ดื่มสุราไม่ได้เราอยากจะดื่มสุราเราก็จะดื่มไม่ได้เราอยากจะไปประพฤติผิดประเวณีเราก็ทาไม่ได้เราอยากจะพูดโกหกเราก็พูดไม่ได้ทาไม่ได้นี่ก็ช่วยกําจัดความอยากให้เบาบางลงไปได้เมื่อเราได้กําจัดความอยากให้เบาบางลงไปแล้ว เวลาที่เราภาวนาจิตของเราก็จะสงบงายเพราะความอยากไม่ค่อยมีไม่รุนแรงถ้ามีความอยากบุญนแรงนี้จะนั่งทำสมาธิไม่ได้จะนั่งทำจิตใจให้สงบไม่ได้ถ้าคิดอยากจะไปเที่ยวนี้เราไปนั่งสมาธิดูนั่งไม่สงบแต่ถ้าได้ทำบุญให้ทานได้รักษาศีลแล้วใจก็ไม่ได้คิดอยากจะไปเที่ยว ไม่ได้คิดอยากจะไปหาอะไรมาดื่หาอะไรมารับประทานใจก็มีความสงบพอสมควรพอนั่งสมาธิก็จะสงบง่ายใจไม่กังวลกระวยไม่กระสับกระสายคิดถึงความอยากเที่ยวด้วยความอยากดื่อยากรับประทานสิ่งต่างๆดังนั้นก่อนที่เราจะภาวนาเราก็ต้องทำบุญให้ทางก่อนรักษาศีลก่อน เป็นเหมือนกับการเรียนหนังสือก่อนที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยเราก็ต้องเรียนชั้นประถมก่อนชั้นมัธยมก่อนเมื่อเราจบชั้นมัธยมจบม .8 แล้วเราไปสมัครเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยก็จะสมัครเข้าได้ง่ายถ้าเราไม่เคยเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมถ้าเราไปสมัครเราก็คงจะสมัครไม่ได้เพราะเขาจะต้องใหเราสอบ และเราจะไม่มีความรู้ที่จะสามารถสอบผ่านไปได้การทำสมาธิทำจิตใจให้สงบเพื่อกำจัดตัณหาความอยากก็เป็นเช่นเดียวกันเราต้องมีทานก่อนต้องทำบุญทาทานให้มากทำบ่อยๆทำ <c oughs> อยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะรักษาศีลได้ง่ายขึ้นและเราก็จะรักษาศีลได้บริสุทธิ์ เมื่อเราทำทานรักษาศีลได้บริสุทธิ์เวลาเราจะทำสมาธิก็จะง่ายไม่ยากอะไรแต่ถ้าเรายังมีความเสียดายในเงินทองยังเอาเงินทองที่เราเสียดายนี้ไปใช้ซื้อของฟุง่มเฟือยไปเที่ยวไปดื่มไปรับประทานไปดูหนังฟังเพลงใจของเราก็จะไม่สงบเวลานั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้ จะรู้สึกลำบากเหมือนกับเดินขึ้นเขาแต่ถ้าเราทาบุญให้ทานรักษาสิลงได้แล้วเวลานั่งสมาธิเหมือนกับเดินบนพื้นราบคือไม่ยากเหมือนกับการเดินขึ้นเขานี่คือความจำเป็นที่เราต้องพยายามทำทานกันอยู่เรื่อยๆรักษาสิลให้บริสุทธิ์เพื่อเราจะได้ภาวนา เพื่อจะได้กาจัดตันหาเมล็ดพืชของการเวียนว่ายตาเกิดเพราะเมื่อเราได้กาจัดพบชาติได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปใช้ใช้เวีใช้กรรมอีกต่อไปต่อให้เราทำบาปทำกรรมมามากน้อยเพียงไรเราก็ไม่ต้องไปใช้กรรมอีกต่อไปนี่คือการล้างบาปล้างกรรมต้องล้างแบบนี้เท่านั้น ไม่ใช่ล้างด้วยการไปสเสด็จเคราะห์ไปทำบุญถวายทานอย่างเดียวยังไม่พอทำบุญสังฆทานถวายทาน9วัดสิวัดนี่ยังไม่สามารถที่จะไปลบล้างกรรมได้จะลบล้างกรรมได้ก็ต้องไม่เกิดเท่านั้นและการที่จะไม่เกิดก็ต้องกําจัดตัณหาความอยากที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปให้ได้เท่านั้น ถึงจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาใช้เวรใช้กรรมต่อไปถ้ายังไม่สามารถกำจัดตัณหาความอยากได้ mm hmm. ก็ยังจะต้องกลับมาเกิดมาใช้เวรใช้กรรมต่อไปนี่คือเรื่องของอนิสงส์ของการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้เราก็ได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันเท่าไหร่ แล้วเมื่อเราได้ฟังบ่อยๆเข้าเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นเราก็จะหายสงสัยในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดและเราก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าเกิดมาก็เพื่อมาทำบุญละบาปมากำจัดตัณหาความอยากเท่านั้นนี่คืออนิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการฟังธรรม ทำให้จิตใจเราสงบมีความสุขทำให้เราตั้งอยู่ในคุณงามความดีได้นี่คือความเป็นสิ่งมงคลที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมจึงขอให้ท่านพยายามฟังเทศฟังธรรมกันอย่างสม่ำเสมอพยายามมีวันพระอยู่ในใจของเราอย่าลืมวันพระถ้าวันพระเรามาไม่ได้ ก็เอาวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันพระแทนก็ได้เพราะสมัยนี้การทำงานของเราไม่หยุดตรงกับวันพระเราหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์กันเราก็ใช้วันเสาร์วันอาทิตย์นี้เป็นวันพระมาวัดมาทาบุญมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันแล้วเราจะได้มีแต่ความเป็นสิริมงคลอยู่กับชีวิตของเราไป จึงขอฝากการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมนี้ให้ท่านได้นำเอาไปคิดพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความเป็นเสื่อมงคนที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอกรุณราศีรันนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเท็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญความเป็นสิริสิิมงคลโดยทั่วหน้าการเธอ